ตอนที่ห้สทธ์ำไมถึงชอบทำตัวเป็นพ่อสื่อนักนะเมื่อได้ยินว่าซูมานอินเปิดร้านอาหารเจ้าจงช่วยจึงอยากจะมานั่งพักผ่อนที่นี่ประการแรกเขาต้องการเกลี้ยกล่อมให้สูมานอินไปทำงานที่สำนักงานเขตตอนนี้เธอมีบัตรผู้สื่อข่าวพิเศษของสถานีโทรทัศน์ประจําเมืองหากได้เธอมาช่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ในอนาคตทุกอย่างคงจะสะดวกสบายขึ้นมากนอกจากนี้เขายังต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การพัฒนาของผู้ประกอบการรายย่อยในปัจจุบันด้วย เอกสารจากทางอำเภอระบุว่าเศรษฐกิจทางตอนใต้กำลังคัฒนาไปอย่างรวดเร็วและมีการรณรงค์ให้เร่งพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนใครต่อใครต่างก็บอกว่าซูมานอินมีความประหนดรู้สูงและมีวิสัยทัศน์กว้างไกลหรือว่าเรื่องนี้เธอก็คาดการเอาไว้แล้วเช่นกันใครจะไปรู้ว่าทันทีที่เขามาถึงร้านก็ได้พบกับคนตระกูลฉินที่มาหาเรื่องอลวัดในร้านพอดีที่สำคัญคือเขายังได้ยินเรื่องร้ายแรงเกี่ยวกับการสวมสิทธิ์รับเงินบำนาญทหารอีกด้วย เหล่าวังเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะถ้าพวกคุณมีเวลาต้องตรวจสอบเรื่องเงินบำนาญ น, นี้ให้ดีวังชีฟางพยักหน้าผู้อํานวยการเจ้ามั่นใจได้ครับพวกเราจะตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดแน่นอนประจบเหมาะกับที่ฉินเสี่ยวเยเว่และสูมานอินเดิน ม, มาส่งอาหารพอดีวังชีฟางจึงถือโอกาสถามว่าสามีของชินเสี่ยวเยเว่ชื่ออะไรโจวไวตรงเข้าไวที่แปลว่าปกป้องประเทศตรงที่แปลว่าดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก ชินเสียวเย่เว่ตอบกลับด้วยรอยยิ้มคำตอบนี้ทําให้ทั้งสองคนต้องมองเธอใหม่ด้วยความชื่นชมคุณจบการศึกษาระดับไหนเหรอเจ้าจงช่วยถามไถ่ด้วยรอยยิ้มจะมีการศึกษาอะไรหล่ะคะเรียนมัธยมต้นยังไม่ทันจบก็ต้องลาออกมาแล้วคะ่ะชินเสียวเย่เวรวบรวมความทรงจําของเจ้าของร่างเดิมแล้วตอบกลับไปพร้อมรอยยิม้มที่บ้านยากจนเงินทั้งหมดถูกส่งไปให้น้องชายเรียนหนังสือหมดเลยคะ่ะน้องชายคุณเหรอ เจ้าสงช่วยนึกถึงไอ้ตะแตนคนนั้นแล้วก็ได้แต่สายหน้าดูเหมือนจะส่งเสียไม่ขึ้นนะเขาถูกไล่ออกจากโรงเรียนตอนมัธยมหนึ่งค่ะเสี่ยวเยเว่ชีวิตขมขื่นค้าตอนเรียนหนังสือผลการเรียนของเธอเป็นอันดับต้นๆของห้องมาตลอดถ้าไม่ใช่เพราะพ่อแม่สามีให้ความสําคัญกับลูกชายมากกว่าลูกสาวอย่างรุนแรงเสี่ยวเยเว่คงได้เรียนต่อมัธยมปลายหรือแม้แต่สอบเข้ามาหาวิทยายลัยก็คงไม่ใช่ปัญหาซูมานอินพูดแก้ต่างให้ลูกสะพ้ยจากด้านข้าง แม่ขยับพูดเลยค่ะเมื่อเทียบกับแม่แล้วความลําบากของเสี่ยวเยว่แค่นี้ไม่นัาเป็นอะไรหรอกค่ะขอบตาของชินเสี่ยวเยเว่เริ่มแดงก่ำอีกครั้งซุนอวหมิ่งที่อยู่ข้างๆก็ตาเริ่มชื้นส่วนเขาเองก็รู้สึกเสะเตือนใจอย่างลึกซึง้งโชคดีที่พ่อแม่ของเธอเปิดกว้างยอมให้เธอเรียนจนจบวิทยาลัยอาชีวะจนตอนนี้มีงานที่มั่นคงและครอบครัวที่มีความสุขเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วคู่แม่สามีลูกสะใภ้คู่นี้ช่างลําบากเหลือเกินวันดีๆแบบนี้ร้องให้ทําไมกัน ซูมานอิมเช็ดน้ำตาให้ฉินเสียวเย่เว่ยอย่างอ่อนโยนพร้อมกับยิ้มกว้างมีเจ้าหน้าที่ที่ดีอย่างผู้อำนวยการเจ้าคอยหนุนหลังพวกเราพวกเราก็ไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วลูกค้าที่นั่งทานอาหารอยู่รอบรอบต่างก็พากันยกนิ้วให้เจ้าจงช่วยเจ้าจงช่วยไม่คิดเลยว่าการมาตามความต้องการชั่ววูบของเขาครั้งนี้จะได้รับการสนับสนุนจากมวลชนมากมายขนาดนี้ ในช่วงเที่ยงเมื่อผู้คนเริ่มซาหลงเจ้าจงช่วยจึงเข้าไปหาซูมานอินอีกครั้งเพื่อถามถึงปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจส่วนตัวซูมานอินตอบตรงๆว่าปัญหาไม่ใหญ่โตนักทุกอย่างสามารถเอาชนะได้ซุนอวิมิ่นและก็หย่าได้ยินดังนั้นก็พยักหน้าด้วยความพอใจแม่คัผู้หญิงคนนี้ใจกว้างจริงๆดูปราดเดียวก็รู้ว่าเป็นคนที่จะทําเรื่องใหญ่ได้อืมๆสายตาของฉางเกินไม่เลวเลยจริงๆผู้อํานวยการเจ้าคนนี้ก็เป็นผู้นําที่ดีมากนะ ซูนอวิมินเพิ่งจะแอบชมเจ้าจงช่วยเสร็จประโยคต่อมาของเจ้าจงช่วยก็ทําให้เธอรู้สึกขัดใจขึ้นมาทันทีสหายซูมานอินเหล่าโจก็จากไปแล้วคุณยังอายุน้อยอยู่ไม่คิดเรื่องปัญหาส่วนตัวในขั้นต่อไปบ้างเหรอเจ้าจงช่วยถามด้วยความหมังดีที่สํานักงานเขตมีสหายที่ยอดเยี่ยมอยู่หลายคนให้ผมช่วยเป็นสื่อกลางแนะนำให้ไหมเมื่อได้ยินว่าเจ้าจงช่วยจะแนะนําคู่ครองให้ซูมา น, นอาินซูนอวหมิ่นก็เริ่มหลนลานทันที ผู้นำคนนี้จริงๆเลยพอได้รับคําชมหน่อยก็ลอยตัวจนทําเรื่องไม่เป็นเรื่องเสียแล้วก็อยากเห็นสีหน้าไม่เปลี่ยนไปก็แอ บ, บกลั้นคำแล้วกระสิบว่าแม่ข้เขาก็หวังดีแม่จะทําหน้าแบบนั้นไม่ได้นะซุนอวิมิ่นเบะปากต้องโทษน้องชายแกนั่นแหละทํา ง, งานใช้เกินไปเมื่อได้ยินความหวังดีของเจ้าจงช่วยซูมานอินก็รีบยิ้มปฏิเสธทันทีขอบคุณในความหวังดีของผู้อเมริการเจ้าค่ะแต่ว่าในใจของฉันมีคนคนหนึ่งอยู่แล้วคะ่ะ เดิมทีซูมานอินอยากจะบอกว่าเธอยังอายุน้อยและต้องการทุ่มเทให้กับหน้าที่การงานแต่ในเมื่อก่อนหน้านี้เธอเคยแต่งงานมาแล้วเหตุผลนี้จึงฟังไม่ขึ้นหลังจากไตรตรองไปมาเธอจึงตัดสินใจยกชื่อเกาฉางเหอขึ้นมาอ้างคนคนนั้นท่านก็น่าจะรู้จักนะคะผมรู้จักเหรอเจ้าจงช่วยสงสัยนั้นลองบอกมาสิว่าใครกันที่โชคดีขนาดนั้น เมื่อได้ยินซูมานอินบอกว่ามีคนในใจสุนอวหมิน่นและก็อยา ก, ก็ตื่นเต้นจนแทบหยุดหายใจรีบเงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจรองผู้อํานวยการสถานีตํารวจประจำแขวงเกาฉางเหอฆ่าซูมานอินพร่องออกมาเมื่อได้ยินคําตอบนี้สุนอวหมิน่นและก็อยากเกือบจะกระโดดตัวลอยด้วยความดีใจกําลังจะลุกขึ้นไปแสดงตัวแต่แล้วก็ได้ยินซูมานอิงพูดคําว่าแต่ว่าออกมาเสียก่อนแต่ว่าพวกเรายังไม่ได้ตกลงคบหากันอย่างเป็นทางการค้าปัญหาหลักอยู่ที่ฉันเองเพราะยังมีเรื่องส่วนตัวบางอย่างที่จัดการไม่เสร็จสิ้น เจ้าจงช่วยพยักหน้าสหายซูมานอินเป็นคนทําอะไรรอบคอบมาตลอดผมเชื่อว่าสหายเกาชังเหอเองก็คงจะเข้าใจใช่ค่ะเขาเข้าใจดีมากชินเสี่ยวเยเว่พู้เสริมพร้อมรอยยิ้มหลักๆคือแม่รองของฉันกังวลมากเกินไปเองค่ะเสี่ยวเยว่ซูมานอินถเหลึงตาใส่ชินเสี่ยวยาวก่อนจะหันไปเห็นซุนอวิมินและลูกสาวที่รีบหลบสายตาหันไปทางอื่นลูกค้าในร้านเกิดจะกลับกันหมดแล้วเจ้าจงช่วยยังอยู่คุยกับพวกเธอแล้วสองแม่ลูกคู่นี้เป็นอะไรไป เสี่ยวเยว่ลูกคุยกับผู้อำนวยการเจ้าไปก่อนนะแม่จะไปดูทางนั้นหน่อยค่ะเมื่อได้ยินซูมานอินเดินมาทางนี้สุนอวิมินและก็อยากก็รีบหยิบตะเกียบขึ้นมาทำท่าคีบอาหารทันทีทว่าในจานนั้นว่างเปล่าไม่มีอาหารเหลือให้คีบเลยแม้แต่นิดเดียวคุณป้าคาทานอิ่มกันหรือ ย, ยังคะซูมานอินถามด้วยรอยยิ้มต้องการจะเพิ่มอาหารอีกสักสองอย่างไหมคะเพิ่มสิเพิ่มอาหารจานหลักมาอีกอย่างเลย ซุนอวหมิ่นยิ้มจนตาหยีมองดูซูม่านอินด้วยความเอ็นดูยิ่งมองก็ยิ่งพอใจยิ่งมองก็ยิ่งมีความสุขแม้แต่ซูม่านอินที่เป็นคนสุ ข, ขุมเยือกเย็นก็ยังรู้สึกประห ม, ม่าเมื่อถูกจ้องมองขนาดนี้ได้แค่เดี๋ยวฉันจะไปบอกที่ห้องครัวให้เดี๋ยวจะทำหมูสามชั้นผัดผักกาดโด่งให้พวกคุณอีกจานดีไหมคะได้เลยทําอะไรมาพวกเราก็ชอบกินทั้งนั้นแหละก็อย่ามองดูรอยยิ้มที่ดูคลั่งคล้าย ของแม่ตัวเองแล้วก็แอ บ, บดึงเสื้อแม่เบาๆพร้อมล้อเลียนเสียงค่อยแม่คะระวังน้ำลายไหลนะคะซุนอวิหมิ่นรีบเอามือเช็ดปากแต่ก็พบว่าไม่มีอะไรเลยยี่เด็กคนนี้ล้อแม่เล่นอีกแล้วนะในขณะที่สองแม่ลูกกาลังคุยเล่นกันอยู่นั้นก็มีเสียงที่ไม่เข้าพวกดังมาจากอีกด้านหนึ่งสหายชินเสี่ยวยาวเรื่องส่วนตัวของคุณหละได้พิจารณาบ้างหรือยังซุนอวิหมิ่นได้ยินแล้วก็เริ่มรําคาญ ไม่ใช่สิผู้อานวยการสํานักงานเขตคนนี้วันๆทําไมถึงเอาแต่คิดจะแนะนําคู่ครองให้คนอื่นนะเขาไม่ได้ทํางานเสริมเป็นแม่สื่อใช่ไหมเนี่ยแม่คะสํานักงานเขตเป็นตําแหน่งทางราชการนะคะเขาทําไปเพราะหวังดีนะคะชินเสียวเย่เว่ยเองก็รู้สึกพูดไม่ออกเหมือนกันพอซูมานอินเลี่ยงไปได้เขาก็หันมาสนใจเธอแทนเสียอย่างนั้นผู้อํานวยการเจ้าคะฉันยังอายุน้อยอยู่ค่ะและที่สําคัญฉันอยากจะไว้ทุกข์ให้ไว้ตรงต่ออีกสักสองปีค่ะเมื่อได้ยินคําตอบนี้เจ้าจงช่วยก็ไม่ได้พูดออะไรต่ ผู้หญิงที่มั่นคงในรักขนาดนี้หาได้ยากจริงๆลิวอวิหงและฉินเหลียนซาน ร, รีบนําเงิน 1, หนึ่งพันหยวนมาที่ร้านอาหารก่อนเวลาบ่ายสองโมงถือว่าพวกคุณยังรักษาคําพูดนะเจ้าจงช่วยทําหน้าขรึญกว่าสายตามองไปยังฉินเสี่ยวซานที่ยืนอยู่ข้างหลังสามีภรรยาคู่นั้นตอนนี้เป็นสังคมยุคใหม่แล้วชายหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกับลูกสาวของคุณสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยความลําบากห้ามมาปวนอีกเด็ดขาดนะครับครับท่านผู้นําพูดถูกแล้วครับ ลิวอวิหงและฉินเหลียนซามพยักหน้าตอบรับรัวๆดูท่าว่าลูกสาวคนนี้ในวันหน้าพวกเขาคงไม่กล้าไปร่วมเกินเธออีกแล้วจริงๆชินเสี่ยวเย่เว่ถือเงินหนึ่งพันหยวนไว้ในมือแล้วแอบประสิ์ยิ้มกับซูม่านอินว่าแม่รองคับเพื่อนรักหรือว่าพวกเราจะไปซื้อหลุมศพเพิ่มอีกสักสองหลุมดีไหมคะ